พระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังงวลสมเด็จพระสังฆราชสมควรมหาสังฆปรินายพันติสองอยา่าง ทีวาสนะขันติแปลว่าอดกั้นตามสาแปลว่าทําให้ยับยั้งอยู่ขันติคือการให้ยับยั้งอยู่อันหมายความถึงความอดกลั้นนี้เป็นขันติสามัญดังเช่นเมื่อได้รับความลําบากอันเกิดจากทุกเขเวทนาในเวลาป่วยไข้ได้รับความตรากตรำในเวลาที่ถูกเย็นถูกร้อนต้องหิวต้องกระหายเป็นต้น ได้รับความเจ็บช้าน้ำใจในเวลาที่ถูกว่ากล่าวกระทบกระทั่งร่างกายก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความลําบากหรือเพราะความตราตรํานั้นจิตใจก็รู้สึกเป็นทุกข์เพราะความเจ็บช้ำน้ำใจนั้นผู้ที่ไม่มีขันติคือความอดกลั้นเมื่อได้รับความลําบากเช่นเวลารับความทุกขเวทนาในเวลาป่วยไข้ก็ร้องครวญครางได้รับความลําบากตราตรําก็มักทนไม่ได้ ได้รับความเจ็บใจก็ทนไม่ได้จะต้องผลผันกระทำการตอบแทนออกไปดังที่ปรากฏเป็นเรื่องการวิวาทโตเถียงหรือการทำร้ายกันและกันแต่ว่าผู้ที่มีอธิวาสนะขันติคืออดกั้นเอาไว้ได้ก็พอจะยับยั้งเอาไว้ได้รับทุกขเวทนาเวลาป่วยไขย้ก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความลาบากก็ยับยั้งเอาไว้ได้รับความเจ็บใจก็ยับยั้งเอาไว้แต่ว่า ความทุกกายทุกใจยังมีอยู่กลั้นเอาไว้เท่านั้นถ้ากั้นเอาไว้ได้ก็เป็นการปรกติเรียบร้อยถ้ากั้นเอาไว้ไม่ได้ก็ต้องมีอาการหรือมีความประพฤติไปตามที่จะเป็นควบคุมไว้ไม่ได้ฉะนั้นอธิวาสนาขันติขันติคือความอดกลั้นยับยั้งเอาไว้นี้จึงจะเป็นขันติสามัญและก็ชื่อว่าเป็นตบะคือธรรมเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเหมือนกัน คือว่าได้อดกลั้นเอาไว้ได้และก็แผดเผากิเลสส่วนนั้นไว้ได้กิเลสไม่ลุกคืบขึ้นมาทําให้เสียหายแต่ก็เป็นตบะอย่างสามัญอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าปีติขาขันติขันติคือความทนทานที่กล่าวไว้ในพระโอวาทนี้ขันติคือความทนทานนี้เป็นขันติที่สูงขึ้นมากหมายถึงเป็นขันติทางจิตใจ ที่ได้ปฏิบัติมาในขันติสามันนั่นแหละจนมีจิตใจแข็งแกร่งทนทานต่ออารมณ์ที่มายุ่งต่างๆอารมณ์ที่มายุ่งต่างๆนั้นจะมายุ่งให้ชอบก็ตามให้ชามก็ตามให้หลงก็ตามจิตใจที่ประกอบด้วยตีติขาคือความทนทานย่อมไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นพระพุทธเจ้าได้ทรงมีขันติอย่างนี้ดังที่ตรัสปารลถึงพระองค์เองไว้ในที่แห่งหนึ่ง แปลความว่าเราทนทานคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างศึกที่ทนทานลูกศรซึ่งตกจักแล่งมาต้องกายในสนามรบเพราะว่าคนเป็นอันมากเป็นผู้ที่ถูกศีลคราวนี้เมื่อจะเทียบกันดูระหว่างอธิวาสนะขันติกับตีติขาขันติก็ย่อมได้ดังนี้เมื่อมีอารมณ์มายุ่ให้โกรธถ้ามีเพียงอธิวาสนขันติ ก็ยังโกรธเหมือนกันแต่ว่ากลั้นไว้ได้แต่ถ้ามีตีติดขาขันติแล้วไม่โกรธคือว่าขันตินั้นมาทําจิตใจให้เข้มแข็งหรือว่าให้แข็งแกร่งพอที่จะไม่ไหวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มายั่วเพราะฉะนั้นตีติดขาขันตินี้จึงไม่ต้องกลั้นคือทนทานแข็งแกร่ ง, งอยู่ได้ในตัวเองแล้วส่วนอธิวาสนะขันติต้องกลั้นถ้ากลั้นไว้ไม่ไหว ก็แปลว่าพุ่งออกไปทีเดียวคราวนี้สําหรับวิธีปฏิบัติก็ต้องขัดปฏิบัติให้เป็นอธิวาสนะขันติมา ก, ก่อนเมื่อปฏิบัติจนเกิดความชงิชมานความคุ้นเคยมากขึ้นมากขึ้นจิตใจก็จะแข็งแกร่งคือเข้มแข็งนั่นเองเป็นตีติขาขันติขึ้นมาได้โดยลำบับตีติขาขันตินี้เป็นตะบะักคือทําเป็นเครื่องแผดเผากิเลสเป็นอย่างยิ่งสูงกว่าที่วาสนะขันติ ซึ่งเป็นขันติสามัญ น, นี้สําหรับจิตใจแต่สําหรับทางร่างกายนั้นต่างกับจิตใจจิตใจทําให้ไม่มีทุกข์ได้แต่ว่าร่างกายนั้นมีทุกข์เป็นธรรมดาโดยเฉพาะก็ต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาดังที่เราสวดกันอยู่ร่างกายของปุรุชนหรือร่างกายพระอรหรันต์ก็ต้อตกอยู่ในคติธรรมดาเช่นนี้ฉะนั้นจึงมีแสดงในพระพุทธประวัติว่า แม้พระกายของพระพุทธเจ้าเองก็ประชวนใต้ประชวนหลายครั้งในการประชวนนั้นก็มีแสดงว่าในบางคราวก็โปรดให้แพทย์เยียวยาในบางคราวก็ทรงระ ง, งับด้วยอธิวาสนาขันติท่านใช้คำนี้คือความอดทนที่ทำให้ความเจ็บไข้นั้นยับยั้งไปแต่สำหรับในส่วนจิตใจแล้วท่านมีความเข้มแข็งทนทานไม่มีอารมณ์อะไรไมายุให้เป็นทุกข์ขึ้นได้ แปลว่ามีตีติขาขันติขันติคือความทนทานบริบูรณ์นิพพานสองอย่างจะอธิบายในพระพุทธวัทะข้อที่สองในพระโอวาทปาติโมกขว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งหรือนิพพานเป็นธรรมะอย่างยิ่งโดยพยัญชนะคําว่านิพพานแปลได้สองอย่างคือดับอย่างหนึ่งไม่มีเครื่องเสียดแทงอย่างหนึ่ง ที่แปลว่าดับนั้นออกมาจากวา่าธาตุที่แปลว่าพัดอย่างพัดลมนิปฏิเสธก็แปลตรงกันข้ามว่าดับส่วนที่แปลวา่าไม่มีเครื่องเสียบแทงนั้นออกมาจากศัพท์ว่าวานที่แปลวา่าเครื่องเสียบแทงใช้เป็นชื่อของลูกศรก็มีนิปฏิเสธก็แปลวา่าไม่มีเครื่องเสียบแทงแต่โดยอัดคือเนื้อความหมายถึง จุดสูงสุดและคำว่านิพานนี้เป็นคาเก่ามีใช้มาก่อนพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีความหมายถึงจุดสูงสุดของลัทธิปฏิบัติมานั้นๆั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงนำคำนี้มาใช้ให้หมายถึงจุดสูงสุดในพระพุทธศาสนาแต่มีความหมายเฉพาะในพระพุทธศาสนาซึ่งต่างไปจากความหมายเดิมของคาที่ใช้ในลัทธิศาสนาในภายนอก คำอธิบายนิพพานที่เป็นพระพุทธภาษิตซึ่งมีความกว้างก็เช่นว่าตัณหายะวิปปหาเนนะนิพพานาังอิติอุจติเพราะละตัณหาเสียเรียกว่านิพพานราคะโทโมหักขยานิพพา น, นังชื่อว่ า, น, านิพพานเพราะสิ้นราคะโทสะตโมหะฉะนั้นกล่าวสั้นนิพพานจึงได้แก่ธรรมะเป็นที่ดับราคะ โทษะโมหะธรรมะเป็นที่ดับปัญหาหรือธรรมะเป็นที่ดับกิเลสทั้งหมดเมื่อปฏิบัติทำกิเลสให้สิ้นไปได้แล้วนิพพานก็ปรากฏขึ้นแก่ผู้ดับกิเลสเองแต่เมื่อยังทํากิเลสให้สิ้นไปไม่ได้การพูดถึงนิพพานการแสดงถึงนิพพานก็ผู้แสดงไปตามครองแห่งพระพุทธศาสนาและเมื่อพิจารณาตามครองแห่งพระพุทธศาสนาดังกล่าวการบรรลุถึงนิพพานนั้น ไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากเมื่อยังไม่อยากหรือไม่อยากก็แสดงว่ายังมีชอบหรือไม่ชอบซึ่งเป็นลักษณะของทันหาของกิเลสฉะนั้นก็ไม่บรรลุได้จะบรรลุได้นั้นด้วยการปฏิบัติใกล้เข้าไปจนเข้าเขตไม่ต้องกล่าวถึงอยากที่จะพูดกันอยู่อย่างสามัญในพระบาลีบางแห่งได้จําแนกพระนิพพานไว้สองอย่างคือหนึ่งสอุปาทิเสสนิพาน นิพพานที่มีอุปาทิเหลือ 2. อ, อนุปาทิเสสนามิพานนิพพานที่ไม่มีอุปาทิเหลือท่านอธิบายว่าอุปาทินั้นเป็นชื่อของขันธปัญจกะหมดห้าแห่งขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนิพพานของพระอรหันต์ที่ยังมีชีวิตอยู่คือท่านละอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นแต่ยังมีขันธปัญจกะดำรงชีวิตอยู่ เรียกว่าสอุปาทิเสส น, นิพานเมื่อพระอาหารหันต์หละขันคือขันธ์ธ า, าตุบรรกะแตกสลายดังคนสามัญก็เรียกว่าตายแต่ถ้าเป็นพระอาหารหันต์ก็เรียกว่านิพานหรือปรินิพานเรียกว่าอนุปาทิเสสานิพานแต่อีกในหนึ่งอธิบายว่าอุปาทิเป็นชื่อของกิเลสมีอุปาทานความยึดถือเป็นต้นฉะนั้น พระอริยบุคคลผู้ดับกิเลสมาเป็นชั้นๆแต่ว่ายังดับไม่หมดได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามียังมีอุปาทิคือยังมีอุปาทานหรือกิเลสที่ต้องลาต่อไปดับกิเลส ข, ของท่านดังกล่าวนี้เรียกว่าสอุปาทิเสสามนิพานส่วนพระอรหันดับอาสวะกิเลสได้หมดสิ้นไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งยังเหลืออยู่ ความดับกิเลดของท่านเรียกว่าอนุปาทิเสสนิพานมีคําที่เป็นไวยพจน์คือคําที่มีรูปต่างๆกันแต่รวมอยู่ในความหมายอันเดียวกันของนิพพานหลายคําเช่นคําว่าอมตะวิราคโมคค์อาสังคตะหรือวิสังขารอมตะแปลว่าธรรมที่ไม่ตายเรื่องความไม่ตายเป็นเรื่องที่ปรารถนากันอยู่โดยทั่วไป ความคิดของมนุษย์ในเรื่องนี้ก็ได้มีมาโดยลําดับเมื่อสรุปลงแล้วก็เห็นว่าเป็นบุคคลก็มีเป็นภาวะก็มีเป็นธรรมก็มีที่เป็นอมตะคือไม่ตายในส่วนที่เห็นว่าเป็นบุคคลนั้นเช่นลัทธิของผู้ที่เชื่อว่ามีเทพผู้ไม่ตายสถิตยอยู่ในสวรรค์ลัทธิที่เก่าแก่ก่อนพระพุทธศาสนาก็ได้แก่พราหมณที่เชื่อว่ามีพรหม เป็นผู้ไม่ตายอยู่ในสวรรค์ชั้นพรมคือมีความเห็นว่ามีอยู่ทิณหนึ่งซึ่งมีเทพผู้ไม่ตายสถิตยอยู่บุคคลอาจจะเข้าถึงเทพนั้นได้ด้วยการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่แสดงไว้ในนับทินั้นๆเมื่อมีพระพุทธเจ้าได้ทรงอุบัติขึ้นและต่อจากสมัยพระพุทธเจ้ามาก็ได้มีลัทธิดังกล่าวนี้สืบสืบมาอีกหลายลัทธิแสดงเป็นตัวตนเป็นบุคคล โซนที่เห็นว่าภาวะเป็นอมตะนั้นดังเช่นลัทธิอุปนิสต์ที่แสดงปรามาทมันเป็นอัตตาใหญ่ซึ่งคงอยู่ชัว่วนิรันดรทุกๆคนหรือทุกๆสัตว์โลกแยกออกมาจากปรามาทมันมาเป็นอัตมันหรืออัตตาของแต่ละบุคคลและเมื่อทําความดีมากขึ้นก็จะบรรลุ ค, ความเป็นมหาตมันหรือมหัตตาอย่างที่ยกย่องบางคนว่า มหาตามะนี่ก็คือมหาตามันหรือมหัตตาเมื่อมหาตามันหรือมหัตตานั้นสิ้นชีวิตก็จะตรวงเป็นปรมาทมันและคงที่อยู่นิรัดนดรตามเดิมส่วนที่แสดงธรรมะนั้นคือพระพุทธศาสนาเพราะทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าไม่มีเทพหรือบุคคลที่จะเป็นผู้ไม่ตายอยู่ตลอดนิรัดนดรเพราะเทพหรือบุคคลนั้นต้องตั้งต้นด้วยชาติคือความเกิด ก็ต้องมีแก่ต้องมีตายเพราะฉะนั้นจะต้องมีดับศูนแม้พระพรหมซึ่งแสดงว่ามีอายุยืนนานเหลือเกินแต่ก็ต้องดับศูญในที่สุดเป็นแต่เพียงว่าดำรงอยู่นานเท่านั้นอันนี้มาเทียบกับทางวัตถุเช่นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆทางวิทยาการก็แสดงว่าจะต้องมีดับแต่มีอายุยืนนานมากจนรู้สึกเหมือนไม่ดับคราวนี้ป่าวะ คือปรมาภมันหรือปรมตัตตาดังที่แสดงไว้ในนัดที่อุปนิสัตนั้นทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเมื่อยังมีภาวะเป็นอัตตาอยู่ก็แสดงว่ายังมีอุปาทานคือความยึดถือเมื่อยังมีความยึดถือก็ต้องมีพบคือภาวะได้แก่ภาวะเป็นอัตตาดังกล่าวนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ต้องมีชาติคือเกิดเป็นอัตตาดังกล่าวนั้นและในที่สุด ก็จะต้องมีดับคู่กันกับเกิดส่วนมติทางพระพุทธศาสนานั้นแสดงว่าเมื่อจะไม่ดับก็ต้องไม่เกิดเมื่อสิ้นชาติคือความเกิดจึงจะสิ้นความแก่สิ้นความตายหรือว่าสิ้นดับและเมื่อสิ้นความเกิดเป็นเทพเป็นมนุษย์เป็นอะไรอะไรทั้งนั้นก็สิ้นสมมติบัญญัติคือไม่มีจุดอันใดอันหนึ่งที่จะยกขึ้นมาสมมุติคือหมายรู้กันหรือว่าบัญญัติ คือแต่งตั้งกล่าวถึงกันว่าเป็นอะไรการจะมีสมมติค like, um ือหมายรู้กันก็จะต้องมีสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นก่อนการที่จะมีบัญญัติคือแต่งตั้งพูดถึงกันก็จะต้องมีสิ่งที่จะถูกบัญญัติขึ้นก่อนเหมือนอย่างว่าเราจะสมมุติบัญญัติภาษาขึ้นพูดเช่นเรียกว่าบ้านเรียกว่าเรือนก็จะต้องมีสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนขึ้นก่อนและจริงเรียกสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนนั้นว่านั่นบ้าน นั่นเรือนแต่ถ้าสิ่งที่เป็นบ้านเป็นเรือนไม่มีเสียเลยแล้วสมมติบัญญัติคือภาษาที่สำหรับจะให้หมายรู้กันหรือที่จะบัญญัติขึ้นกล่าวกันก็ไม่มีฉันใดก็ดีเมื่อไม่มีเกิดไม่มีอะไรทางนั้นก็ไม่มีสิ่งที่จะสมมติบัญญัติขึ้นว่าอะไรฉะนั้นจึงเรียกว่าสิ้นสมมุติสิ้นบรญญัติและเมื่อเป็นเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่เป็นอมตะไม่ใช่ภาวะที่เป็นอมตะ แต่เป็นธรรมะคือสภาพที่ทรงอยู่ซึ่งเป็นอมตะจะชี้ว่ามีภาวะเป็นอย่างใดก็ไม่ได้จะชี้ว่าเป็นบุคคลหรือเป็นภาพอย่างใดก็ไม่ได้ฉะนั้นอมตะธรรมะที่ไม่ตายจะมีความหมายในครองธรรมของพระพุทธเจ้าดังกล่าวนี้อันหนึ่งบางแห่งเรียกว่าวิราคะแปลว่าธรรมที่สิ้นราคคือความติดความยินดี ความกำหนัดนี้ก็หมายถึงธ ร, รมเป็นที่ซึ่งกิเลสแต่ว่ากิเลสเหล่านี้ราคาเป็นที่ปรากฏอยู่มากฉะนั้นจึงได้ยกเอาในด้านไม่มีเป็นชื่อของนิพพานอันหนึ่งบางแห่งก็เรียกว่าโมขหรือโมกธรรมแปล ว, ว่าทรรมเป็นเครื่องพ้นจากทุกข์คือความแก่ความเจ็บความตายดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปราถนาเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์และในตอนแรกก็หมายถึง ความพ้นจากผลเพราะทุกเป็นผลแต่เมื่อได้ตรัสรู้แล้วได้ทรงพบเหตุคือตัณหาหรือกิเลสโมฆะจึงแปลอีกอย่างหนึ่งว่าธรรมะเป็นที่พ้นกิเลสด้วยซึ่งมักจะแปลรวมๆกันว่าพ้นกิเลสและกองทุกขแต่ว่าในตอนแรกเมื่อยังไม่พบกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้เกิดทุกขก็มุ่งจะพ้นผลที่เห็นว่าเป็นทุกข์เท่านั้นอันหนึ่งบางแห่งเรียกว่า อสังคตะธรรมธรรมะที่ไม่มีปัจจัยปรุงห ร, รหรือเรียกว่าวิสังขารแปลว่าธรรมที่สิ้นสังขารหรือสิ้นเครื่องปรุงแต่งอัตต า, าทั้งสองคำนี้ก็เป็นอันเดียวกันคำว่าอาสังคตะตรงกันข้ามกับสังคตะที่แปลว่าธรรมะที่ปัจจัยปรุงแต่งคำว่าวิสังขารก็ตรงกันข้ามกับคำว่าสังขารที่แปลว่าจริงที่ปรุงแต่งในโลกนี้ ส่วนที่ปรากฏอยู่ที่ตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นข้างนอกต่อจนถึงร่างกายอันนี้ทั้งหมดที่รวมเรียกว่าเบญจขันธ์หรือว่านามรูปเป็นสังฆตะคือสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นเป็นสังขารทั้งนั้นคือเป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุและเหตุนั้นก็เป็นผลที่เนื่องมาจากเหตุอีกอันหนึ่งอาจจะพิจารณาสาวเข้าไปพบผลและเหตุหรือเหตุและผลได้มากมาย รวมความว่าเป็นสิ่งที่เป็นผลเกิดจากเหตุมีเหตุมาปรุงแต่งให้มีขึ้นเป็นขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างข้างนอกเช่นฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกนั้นเป็นผลก็มีเหตุว่าทําไมฝนจึงตกแดดจึงออกและเหตุนั้นเมื่อคนเข้าไปแล้วก็ยังเป็นผลอยู่นั่นเองเพราะเนื่องมาจากเหตุอื่นทุกๆอย่างในโลกเป็นผลที่เกิดจากเหตุปรุงแต่งดังกล่าวนี้ ล้วนเป็นสังฆตะหรือสังขารทางพระพุทธศาสนาจึงแสดงว่าตกอยู่ในลักษณะสคือ 1. อุปาโทปัญญายติความเกิดขึ้นปรากฏ 2. วโยปัญญายติความเสื่อมสิ้นไปปรากฏและสามทิฏสะอัญญัตตังปัญญายติเมื่อตั้งอยู่มีความแปรปวนไปปรากฏรวมความว่าขึ้นต้นด้วยเกิด และลงท้ายด้วยดับและในระหว่างก็มีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆไปแม้ความดีความชั่วเป็นตัวกรรมที่บุคคลทำก็เป็นสังคตะหรือสังขารเหมือนกันเพราะว่าต้องปรุงต้องแต่งหมายความว่าคนต้องทำชั่วจึงจะเป็นความชั่วต้องทำดีจึงจะเป็นความดีถ้าไม่ทาความชั่วก็ไม่มีความดีก็ไม่มีเพราะฉะนั้น แม้ความดีความชั่วก็เป็นสังกตะหรือเป็นสังขารความดีหรือความชั่วนี้เมื่อบุคคลทำขึ้นส่งวิบากคือผลผลนี้ก็เป็นสังกตะหรือเป็นสังขารเพราะเป็นสิ่งที่เนื่องมาจากเหตุคราวนี้เมื่อบุคคลได้รับผลถ้าเป็นผลที่ดีก็ชอบใจถ้าเป็นผลที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจชอบใจหรือไม่ชอบใจนี้ก็เป็นกิเลสกิเลสนี้ก็เป็นสังกตะ หรือสังขารเหมือนกันเพราะเป็นผลที่เนื่องมาจากวิบาสชอบใจหรือไม่ชอบนี้รวมเรียกว่าเป็นกิเลสและเมื่อเป็นกิเลสขึ้นก็ก่อเจตนาขึ้นคือความจงใจให้ประกอบกรรมต่างๆกรรมที่ก่อขึ้นก็เป็นผลอีกคือเป็นผลที่เนื่องมาจากกิเลสแต่ก็เป็นตัวให้เกิดวิบากของกรรมครั้นได้รับวิบาสของกรรมแล้ววิบาสของกรรมนั้นก็เป็นตัวผลที่เนื่องมาจากกรรม แต่ก็เป็นตัวเหตุที่ส่งเสริมกิเลสขึ้นอีกรวมความว่าทั้งกิเลสทั้งกรรมทั้งวิบากนี้เป็นวงกลมบุคคลต้องหมุนไปตามกิเลสตามกรรมตามวิบากเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลาอันนี้แหละที่เรียกว่าวั ต, ตัวนหรือหมุนโลกข้างนอกก็หมุนลูกข้างในคือจิตใจของคนก็หมุนหมุนไปตามกิเลสกรรมวิบากเป็นวงกลมอยู่ตลอดเวลา นี้เป็นกระแสปัจจุบันและโดยปกติทุกๆุกสัตว์บุคคลก็อยู่ในวงหมุนนี้ด้วยกันทั้งนั้นไม่พ้นจากวงหมุนนี้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องปรุงต้องแต่งเป็นเหตุเป็นผลกันในวงหมุนอันนี้อยู่เรื่อยไปเมื่อมาเข้าวงหมุนดังนี้แล้วก็ไม่ต้องพูดการถึงชาติอดีตชาติอนาคตหรือชาติปัจจุบันเพราะจะเป็นชาติไหนก็ตามก็จะอยู่ในวงหมุนนี้ทั้งนั้น และเมื่อยังอยู่ในวงหมุนนี้ตราบใดก็ยังหมุนไปอยู่ตราบนั้นจนกว่าจะหยุดหมุนได้คือว่าปรุงแต่งมัด ม, มีองศาอันประมวลเรียกว่าทําความดีจนตัดกิเลสได้หมดสิน้นเมื่อตัดกิเลสได้หมดสิ้นแล้วก็ตัดวงหมุนเพราะไม่มีเหตุให้กระทํากรรมกรรมก็ไม่ทรงวิบากจึงหลุดออกจากวงหมุนเป็นผู้หยุดหมุนเมื่อเป็นผู้หยุดหมุนแล้วตรงจุดนี้เรียกว่าเป็นนิพพานคือดับ หรือว่าไม่มีเครื่องเสียบแทงทั้งหมดได้กล่าวแล้วว่าเรื่องนิพานนี้ไม่เกี่ยวกับอยากหรือไม่อยากอยากก็ไปไม่ถึงไม่อยากก็ไปไม่ถึงหน้าที่ก็คือว่าทําความดีเรื่อยๆไปซึ่งเป็นส่วนสังฆตะหรือส่วนสังขารแต่ว่าเป็นส่วนสังฆตะหรือส่วนสังขารในด้านทําความดีเมื่อถึงจุดแล้วนิพานก็จะปรากฏขึ้นเองไม่ต้องอยากไม่ต้องไม่อยาก พระพุทธเจ้าทั้งหลายคือท่านทั่วรู้ซึ่งเป็นผู้ได้พูดถึงแล้วจึงได้กล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าถ้ายังไม่ได้ไม่ถึงก็ยังไม่มีใครกล่าวว่านิพพานเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นพระพุทธวาฏทข้อที่สองโปรดติดตามรับฟัง45ภาษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนธ์สมเด็จพระยางสังวรสมเด็จพระสังราช สกวรมหาสังฆปรินายกได้ใหม่ในตอนต่อไป